ปัญญาสัมปนโนอิติปิโสภะวานมามิหังอิมัชฌะธรรมะปริยัจสะอโทสะสายสมันตหิสกกจังธโมโสตโบติ <c oughs> <c oughs> อามือลงตั้งกายตรงๆนั่งสงบสงบ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 เพรารรมคำสอนของพระสรรมารพุทธเจ้านั้นพวกเราทั้งหลายถ้าได้นำมาใช้แล้วก็จะเกิดความสงบสุขร่มเย็นทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์นุษย์เราเต็มไปด้วยความสงบไม่มีสิ่งเจ้าเจาเจากลียวกล่าวที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเปลี่ยนไปอย่างยุ่งยากในสังคม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 ในฐานะเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่เอาความเป็นมนุษย์เั่นามาใช้เราไปใช้ผิดเอานิสัยที่ไม่ใชกมนุษย์นิสัยที่มันยังเป็นนิสัยของสัตว์เดียร์ฉันหรือเป็นนิสัยของออคนพรานสันดานหยาบเอามาใช้ในการลงชีวิตมันก็ทำให้จิตทั้งเรานั้นก็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 ตลอดเวลาที่เราลืมตตาขึ้นดูนโลกอนะ่ะนธรรมะพุทเจ้าใช้ได้ตลอดทั้งระบบคคนพวกมีปัญญาเราจะเห็นว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าตรัสไวนะ้นั่นไม่ใช่จำจำฟังฟังแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเอาไว้บนทิ่งบูชาเหมือนกับเครื่องรางของขลังเหล่านั้นที่เราสมมุติมาใช้แต่ธรรมะนี่เป็นของที่ต้องอยู่กับ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 ต้องแต่จะเอาชนะกันด้วยวิธีการต่างๆโดยชันเชิงแห่งความรู้โดยชันเชิงแห่งความาแห่งความเคยชินลองคิดดสิถ้าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจำเป็นงมีธรรมะอันหนึ่งที่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 ไม่เราก็อย่าพูดดีฝ่าหนึ่งถ้าเฉยๆกินเหล่านั้นก็ไม่ทำให้เราก็ถึงตายเพียงแต่ไม่ทำให้เราไม่สบายชัย่อระยะหนึ่งของความรู้สึกทางจิตใจถไาเราอดได้ทุกอย่างก็สงบดีสะอดไม่ได้เราแสดงอาการกิริยาออกคนอื่นเขาก็เถือนที่เ็เป็นฝ่ายทาเขาก็ก็เทือน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 ถูกต้องจริงๆทั้งกายทั้งวัยแต่ทั้งใจเนี่ยได้จะเป็นผู้มีเกียรติยศชื่อเสียงและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของมนุษย์และเทพเทวดาทั้งหลายส่ว น, นสัตว์ไรชาติที่มีชีวิตจิตใจมนุษย์เหมือนกันทักวันหนึ่งทักครั้งหนึ่งของความเวีนว่ายอาจจะกลับเป็นมนุษย์ยอย่างเราก็ได้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 เอ้แล้ว ก, ก็นอนคิดไปถึงหมาเห่ามันมีประโยชน์ต้องจะให้ทุกข์ให้ทุไขว่ข า, างดูดูแล้วสุนัข ก, ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เหมือนกันถ้าเลี้ยงเอาไว้เพราะกลางคืนมันข้ามมันไม่ได้หลับเหมือนอย่างเราอืามัเวลาหลับมัเวลาตื่นหรือเปล่าเห่าขึ้นมาก็ต้องมีเหตุบางสิ่งบางอย่างแหละสุนัขเราเลี้ยงไว้เห่า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 แต่เมื่อร่างกายของเรารราพิจารณาดูแล้วว่ามองมองแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมันมีในตัวของมันนะเราก็ต้องไปหาเราดูเองเรเองออกไปหาหมอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจีไปหาหมอส่งเดชมัุกนี้สมัยนี้มีหมอรลอกรวงเยอะไปหาหมอทางเรื่องผีก็ว่าถูกผี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 ต้องการความสมบูรณ์เราก็ต้องเลือกขาไอที่มันสมบูรณ์จริงๆมันจะได้มา่อให้เกิดความระดับระสายเมื่อคลองคู่ครองเรือกันไปเพราะการคลองคู่ครองเรือนไม่ใช่ใช้เวลาวานันสองวนันเมื่อตัดทินใจจะคลองคู่ครองเรือนั่นหมายถึงตลอดชีวิต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 ลุคุกคุนตลอดเวลานะอ่ะมันพอจะเห็นมาเรื่องของของชีวิตจริงๆของเราเนี่ยต้องมีธรรมะนะเชาา้าวสายแช่งแม้แม่ดับลงไปฝันก็ยังมีธรรมะเข้าไปยับยัง้งความเหลีรวายขณะที่เราฝัน อ, อันเนี้ยลองคิดดูสิ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 เสริมสร้างทรัพย์สินที่เรามาอยู่ให้มีความมัน่นคงถาวรเมื่อเราศึกษาไปที่สุดเราก็จะเห็นได้ทันทีอโ อ, โอคำสอนพุทธเจ้านี่สมัยเราไปถึงจุดหมาไปทางเราก็ต้องกลับมาอีกมวงชาตินี้เราจ้างวานไ้ครึ่งชาติหน้าต่อไปแล้วไปเป็นเทวดาทชาติพบหนึง่งกลับมาโลกนุษย์ยังเหลือข้างๆอยู่อีกเราก็ต้องมาทาต่อ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 เกิดอความสงบไม่เกี่ยวกวล้าไม่ร้าวฉานไม่เอากิเลสมาทุ่มเทห้ำหันกันจนแทบจะคบ ก, กันไม่ได้เนะี่ยแล้ววันนี้ก็คิดว่าได้พูดธรรมะมาเื็กน้อยผกเป็นแนวทางซึ่งเป็นธรรมะยาปากเคาะยาปากเคาะคอกโค้กเกาะกับมือเนี่ยถ้าเขาอยู่กับรถเยอะเนี่ยเขาเรียกว่ายาปากเคาะที่เราพูดเนี่ย อย่าป้าข้อมันจะงามละอ่อนมันเกิดจากมูลของสัตว์ที่อาศัยกันอยู่เยอะๆเมื่อ ม, มีฝนตกมามันก็ทำให้ส้นม้ทมีเ่เล็กน้อยจากอยู่ปาข้อมันก็ได้อาศัยปุย๋ย มันก็งามดีทีนี่ที่ที่ว่าหญ้าปากคอกไม่โวไม่กินมันกินไม่ทานเพราะมันพอออกจากอคอกตามความก็ดีใจจะได้ไปกินหญกาไกลๆแต่ไม่ได้มองไกลๆอือ ม, มก็เลยไม่ได้ไม่ลิ้มชิมรสหญ้าปากคอกธรรมะถิ่นห้านี่เป็นญนะ้าปากคอกนะเราจะรู้ละเอียดอ่อนต่อไปอีกถึงถิงถ่นแปดเรืกานำสุขฟ้มุดจุดพ้น จากกิเลสเพลิงซุกทั้งหลายนี่เราก็จำเป็นจะต้องศึกษาอีกปฏิบัติอีกว่ามันมีผลอย่างไรที่พทธเจ้าตรัสไว้เชิงให้เราต้องนำมาใช้ในการดรงชีวิตวไม่ค่อยสดาดมันเล็กมันตื่นเหลือเกินเนี่ยนั่งนั่งมนต้องรึกอีกหน่อย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 เมื่อเห็นชีวิตตัวเองลำบาก็คเกือกินข้าวถึงเวลาแล้วบางทีเบื่อเลยต้องมานั่งเคียวกันข้างยานยานพอจะเสร็จกัดฟรกักกาดกินก็ต้องอย่างน้อยๆก็สามสิบนาทีกินพอดีพอ ด, พอดีก็แต่กินยื่ยาดยาก็นานไปอีกถ้าเราเป็น ไปสู่สกติเส้นเข้าอาหารแล้วก็มีตรงมายูกบุญวายเพราะทําทำแต่ชาตินี้แหละทำบุญนองทานทำแต่ชาตินี้แหละทำให้มันถึงมันก็เป็นที่เวสธรรมัตติดตามไปทุกคนทุกแห่งส่วนการทำกุฏิอาหารดาราการบ ร, รียนของสาธารณประโยชน์ต่างนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเี่จะก่อให้เกิดทิพย์เจะเท่าย์ะเะ ทรัพยาวิมายต่างๆให้เราแต่การเจริญสังขารเราไม่ต้องไปทํามาทําแต่โลกนู้ดนี่นะไม่ใช่ไปทําที่นู่นนะที่นูน่นหนึ่งมีรถดัมหน่มีรถตักดินมีมรถอะไรเราไม่ได้ไปขุดดินมาทําวิมานกันอยู่เรกเทวดาเนี่ยอาศัยบุญที่ได้ทําไว้ในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นเสียไปเสียได้การทํำความดีนะยิ่งทํายิ่งได้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 ที่ทำอย่างนี้เพราะะเพราะให้มันอยู่ที่เดียวกันเลยไม่ต้องไปทําโบสถ์อย่างวิหารอย่างตระการประเด็นอย่างไอ้เนีเ่ยไ อ, อ้จะดีอย่างไม่ต้องไปสร้างอําเปิงที่มากเอาที่เดียวอัอออนนั้นเป็นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเรามาคิดใหญ่เงี้ยแต่มาหาอะไรคนแก่งเขาเขียนแบบให้เขาให้